เรื่องพระษาเรบุตรสารีบรุตตะเทระคาถาในติงสาริบาตคือเรื่องของภาษาเรบุตรกับเรื่องของพระมหาโมคลานะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องควบคู่กันพูดถึงในอดีตการในที่สุดแห่งอสงไข่กาไรแสนกับแต่กับนี้ไปโอ้หอยหลังไปยาวนอนมากนะก็กลับหนึ่ง นะกลับหนึ่งก็บอกว่าแผ่นดินเนี่ยอุปมาเหมือนอ่ะหลุมกว้างยาวลึกสิบหกกิโลเมตรน่วยรอบร้อยปีเนี่ยหยอดเมล็ดพันธุกาศไปเม็ดหนึ่งร้อยปีเม็ดหนึ่งเนี่ยนหะลุมเนี่ยเต็มก่อนกลับหนึ่งยังไม่สิ้นเลยอย่างนี่นะเลขศูนย์หนึ่งร้อยสี่สิบตัวเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามด้วร้อยสี่สบตัวเนี่ยนะเรียกว่าหนึ่งอสงไขยแล้วก็ห้อยท้ายอีกแสนกับอันพูดถึงเรื่องเมื่อ หนึ่งอสงไขย์กำไรแสนกับที่แล้วก็ยาวนานมากนะจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดอสงไขยโดยศั์แปลว่านับไม่ได้ท่านภาษาริบุตรนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลโดยมีชื่อว่าสารธมานพส่วนท่านพระโมคคัลลานะบังเกิดแล้วในตระกูลครหบดีมหาศาลโดยมีชื่อว่าสิริวัฒกุฎุมพีทั้งสองคนนั้นได้เป็นสหายร่วมเล่นฝุ่นด้วยกัน เป็นเพื่อนกันมาตั้งเล็กๆแสดงว่าก่อนนั้นๆมาไม่รู้เป็นเพื่อนกันมารู้กี่ชาติมาแล้วนะพอมาชาตินี้ก็ยังได้เป็นเพื่อนกันอีกบรรดาคนทั้งสองนั้นสารธามานพพอบิดาล่วงรับดับชีพไปแล้วก็ครองทรัพย์สมบัติอันเป็นของมีประจําตระกูลก็มรดกก็ตกถึงลูกถึงหลานนะนะทีนี้วันหนึ่งท่านก็ไปในที่รับก็เลยมามีความคิดคิดอันนี้เป็นคิดแบบโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะว่า ขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมมีความตายเป็นที่สุดอย่างเดียวกันสัตว์ที่เกิดมาในโลกก็ตายกันทั้งนั้นน่ะเนาะทุกคนเนี่ยเดินไปหาความตายกันทั้งนั้นทุกเก้าทุกเก้าทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยก็คือการเดินทางเข้าไปสู่ความตายไม่มีใครอะที่ที่เรียกว่าไม่ไปสู่ความตายมันก็บอกว่างั้นอย่าไปเลยนั่งอยู่นี่แหละนั่งก็นั่งรอความตายนั่นแหละ ก็บอกพักผ่อนซะก่อนนอนก่อนนอนรอความตายอีกนั่นแหละเดี๋ยวกินอาหารซะหน่อยก็กินรอความตายเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทางกายเนี่ยนะขยับในอิริยาบถใดก็ตามเราพูดคำใดก็ตามทำสิ่งใดอยู่ก็ตามการกระทำทั้งหมดเพื่อรอความตายเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดรอบ ความตายนั้นถือว่าเป็นผลของความเกิดนัคิดเออทุกคนที่เกิดมาก็เดินทางไปสู่ความตายมีที่ตายเป็นที่สุดอย่างเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพานเป็นบัณฑิตยากดีมีจนมั่งมีอยู่ในฐานะอะไรก็ตามทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เขาทำคือการเดินทางเข้าไปสู่ความตายเหมือนกันหมดไม่ไม่ว่างเว้นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งสัตว์พบใดๆก็ตามดารงอยู่รอความตายเหมือนกันหมด แต่ในขณะเดียวกันก็ทํากรรมด้วยนะสำหรับผู้ที่เป็นสัมมาทิฐิเนี่ยว่ตายนะั้นไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้จบสิ้นไม่ใช่จบการตายคือการเริ่มต้นใหมนะ่ทุกครั้งที่ตายก็คือการเริ่มต้นใหม่แต่ว่า ก, การเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะจะเริ่มณที่ใดก็อีกเรื่องหนึ่งละเหมือนกันเพราะนั้นการจากที่หนึ่งก็แปลว่าไปสู่อีกที่หนึ่งนะเหมือนเราเนี่ยจากบ้านมาที่ป่าเ น, นี่ยนะ ก็คือจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งฉั้นจากบ้านก็คือจบแล้วที่บ้านในตอนนั้นนะก็มาเริ่มใหม่ที่นี่ถ้าเราจากที่นี่ก็คือจบที่นี่ไปเริ่มใหม่ที่บ้านก็อยู่อย่างนี้แหละมีจบแล้วก็เริ่มมีจบแล้วก็เริ่มมีจบแล้วก็เริ่มถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์กันเมื่อไม่ทาที่สุดแห่งทุกข์นะการตายก็คือการเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบ จนสามารถที่กําจัดฉันธราคะเหตุแห่งการเกิดได้ก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าเออคุณชื่อว่าสัตว์เนี่ยย่อมมีความตายเป็นที่สุดอย่างเดียวกันอันนี้คิดตามความเป็นจริงนะทุกสัตว์นี่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นเราควรเข้าไปบวชแสวงหาโมฆะธรรมเถิดโมฆะในโมฆะนีแ้แปลว่าพ้นนะนีก็คือสแสวงหาธรรมะเป็นที่พ้นจากการเกิดเถิด ก็แสดงว่าเห็นภายในความเกิดอย่างแรงกล้าเมื่อกเกิดมาแล้วเนี่ยนะที่จะไม่ตายไม่มีเพรา ะ, ะเราควรประพฤติป ฏ, ปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความเกิดพอท่านคิดอย่างนี้แล้วก็ไปกล่าวกับเพื่อนสิริวัฒกุดุมพีนี่ว่าเพื่อนเอ้ยเรานี่มีความประสงค์จะบวชท่านเล่าจะสา ม, มารถเพื่อจะบวชได้ไหมยนะก็ถามเพื่อนกันเนี่ยนะเมื่อเพื่อนตอบว่าเราไม่สา ม, มารถจะบวชได้ จึงกล่าวว่าตามใจเถอะเราจะบวชคนเดียวก็ได้อนนเพราะอะไรเพราะตอนเกิดเราก็เกิดคนเดียวจะไหมตายเราก็จะตายคนเดียวอีกนั่นแหละทีนี้ถ้าประพฤติคุณงามความดีเนี่ยเพื่อนไม่ทําไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนอื่นจะไม่ทําก็ไม่เป็นไรเราจะทำํำอันท่านก็เลยออกบวชคนเดียวงั้นก่อนที่จะบวชก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยเปิดประตูเรือนคลังสําหรับเก็บรัตนะคือของมีค่าออกมาให้มหาทาน แก่คนกพรพาและคนเดินทางไปต้นแล้วไปยังเชิงบันพศบวชเป็นฤาษีก็ไปบวชเป็นฤาษีบรรดาบุตรพรามประมาณ 74,000 พันคนเนี่ยก็พากันออกบวชตามสรารธะมานพแล้วก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากจึงมีผู้ออกบวชติดตามเนี่ยมากขนาดนี้สรารธะมานพนั้นทาอภิญยาห้าและสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นแล้วก็คือปฏิบัติจนได้ รูปฌานอารูปฌานทั้งหมดแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยนะมีอภิญญาหลังจากนั้นท่านก็บอกบริกรรมกสินคือบอกวิธีการเจริญกสินให้แกพวกชดินที่เป็นลูกศิษย์นะนะพวกลูกศิษย์เหล่านั้นทั้งหมดก็พาการทำอภิญญาหสมาบัตแ8ให้บังเกิดขึ้นแล้วนะนะอาจารย์ก็เก่งลูกศิษย์ก็ไม่เบาเนี่ยนะนะในที่สุดก็ถึงฝั่งของโลกิยะทั้งหมดนะเรียกว่า โลกิยธรรมเนี่ยที่สุดมีอยู่เท่านี้เพรา ะ, ะนั้นก็เข้าถึงจุดสุดยอดของโลกิยธรรมสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมะทถสีทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ก็ทรงยังพระธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วทรงยังมูสัตให้ข้ามพ้นจากห่วงโอคะใหญ่คือสังสาระนั่นะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจักใช่ไธรรมจักก็คืออะไรก็คืออริยสัตว์นั่นเอง หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจพระองค์ก็สอนอริยสัจทีนี้เมื่อพระองค์สอนอริยสัจหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ฟังอริยสัจก็ข้ามตันหาข้ามอวิชชาไปได้เพราะว่าความรู้อริยสัจเนี่ยเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อกําจัดตันหากําจัดราคะมันก็เลยพาข้ามจากโอฆคือกิเลสข้ามพ้นวัตะสงสารได้หมดสําหรับผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามตรัสรู้ก็ข้ามพ้นวัตตะได้ วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มาคิดว่าเราจะทาการส่งเคราะห์ดาบทและพวกอันเตวาสิกนะแสดงว่าพระองค์แผ่ขายพยานไปท่านเหล่านี้ก็ปรากฏในขายพระยานพระองค์คนเดียวเนี่ยไม่มีใครเป็นที่สองทรงถือเอาบาและจีวรเสด็จไปโดยอากาศตรัสว่าดาบทจงรู้เราว่าเป็นพระพุทธเจ้าเถิดนะก็อธิษฐานให้ดาบทรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะ เมื่อดาบทกำลังเห็นอยู่นั่นแหละก็เสด็จลงจากอากาศประทับยืนเนื้อปฐ พ, พีสารธาดาบทจึงคร่ครวญถึงมหาุริศลักษณะในสรีระของพระาศาสดาเพราะเขาจบวิชาหมอดูหมดเพราะฉะ น, นก็ตกลงใจว่าบุคคล น, นี้คือพระสัพพัญยูพุทธเจ้าเป็นแน่แท้ท่านผู้นี้คือผู้ตรัสรู้เองโดยแน่แท้ตรัสรู้ธรรมะทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและ ปัจจุบันตรัสรู้ทั้งทำที่ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งระวัตถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้เป็นไม่มีเพราะฉะนั้นผู้นี้แหละคือ ย, ยอดของบุรุษเหมือนกันพอรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไ้ก็เลยทําการต้อนรับปูลาศอาสนะถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาศถวายแล้วสารธาดาบทก็นั่งอยู่หนที่สมควรส่วนข้างหนึ่งใกล้พระาศาสดา สมัยนั้นพวกอันเตวศิษ์ของสารธาดาบทเนี่ยเป็นชดินมีประมาณ 7,400 พคนก็พากันถือเอาผลไม้น้อยใหญ่ที่ประณีตอย่างยิ่งมีโอชารสดีและมาแล้วเ น, เนี่ยเห็นพระศาสดาก็มีความเลื่อมใสแลดูอาการที่อาจารย์และพระศาสดานั่นก็เลยกล่าวว่าท่านอาจารย์เมื่อก่อนพวกเราเข้าใจว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกว่าท่าน แต่บุรุษนี้เห็นจะยิ่งใหญ่กว่าท่านเป็นแน่ที่แรกก็นึกว่าอาจารย์เนี่ยถึงที่สุดแล้วใช่ไหมมีผู้ที่เหนืออาจารย์อีกเหมือนกันสารทาดาวดก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายนี่พวกพ่อพูดอะไรกันพวกพ่อปรารถนาจะทําภูเขาสินร r u ซึ่งสูงตั้งหกล้านแปดแสนยอให้เสมอกันกับเมล็ดพการได้อย่างไรพวกท่านอย่าเอาเราไปเปรียบกับพระสัพพัญยูพุทธเจ้าเลยเทียบกันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ย ยิ่งกว่าภูเขาสินิรุว่างั้นเถอะเราเนี่ยมันเท่ากับเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์อากาศเนี่ยนะเล็กกว่าเม็ดทรายว่างั้นนะเม็ดทรายนี่ใหญ่กว่าเม็ดพันธุ์อากาศนะแต่เป็นเม็ดทรายขนาดฝุ่นน่ะนะเล็กๆอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆครั้งนั้นพวกดาบดทฟังคําของอาจารย์แล้วก็พากันคิดว่าบุรุษนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่หนาะทั้งหมดก็เลยพากันหมอบลงที่แท้เท้าถวายบังคมพระ บ, บ ร, รมศาสด า, านันะ โอ้เคารพนบนอกนะึบุคคลที่ยิ่งใหญ่จริงๆครั้งนั้นท่านอาจารย์ก็เลยกล่าวกับพวกลูกศิษย์เหล่านั้นว่าแน่พ่อทายธรรมของพวกเราที่จะสมควรแด่พระศ า, าสดาไม่มีเลยนะไม่มีอะไรถวายพระพุทธเจ้าเลยเหมนและพระศาสดาเส ด, สเด็จมาที่นี่ในเวลาเพียกษาอาจารย์เอาเถอะพวกเราจะถวายทายธรรมตามกําลังก็ทําตามที่มีนี่แหละ พวกท่านจงนำผลไม้เนอ้อใหญ่ที่ประณีตนั้นมาเถิดครั้นให้นำมาแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ตนเองก็วางไว้ในบาตของพระตถาคตพอพระศาสดารับผลไม้เนอ้อใหญ่พวกเทวดาก็เติมทิพโอชาลงพระพุทธเจ้าจะฉันอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะต้องมีทิพโอชาอยู่ด้วยเพราะเขาเทวดาทั้งหลายก็ประสงค์บุญเหมือนกันก็คอยอดโอชาทิพกับถวายพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด ดาบทนั้นก็ทําการกรองน้ําถวายเองต่อจากนั้นเมื่อพระศาสดาประทับนั่งทําโภชนากิจให้เสร็จสิ้นแล้วดาบทก็เรียกอันเทวสิกฐ์ทั้งหมดมาก็กล่าวสารานิยกถานในสํานักของพระศาสดาคำว่าสารานิยกถานก็คือคําพูดที่พูดให้เป็นที่ระลึกถึงกันนะนะถามมาอยู่ป่าสบายดีไหมเจริญกรรมฐานเป็นยังไงอะไรงไงก็ต่ายถามกันความเป็นไปเป็นมานพระศาสดา ก, ก็ส่งดํำริว่า อัคราสาวกทั้งสองจงมาพร้อมกับภิกษุสงฆ์เถิดคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมีพระอัคราสาวกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพระอัคราสาวกทั้งสองทราบความล้ำเรธิ์ของพระศาสดาแล้วในขณะนั้นก็มาเนี่ยนะจึงมีพระพิชกีณาศพหนึ่งแส 1, รูปเป็นบริวารพากันมาไหว้พระศาสดาแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นดาบท นะสารธาดาบทก็เรียกพวกอันเตวาสิกมาว่าพวกพอ่อเพิ่งเอาอาสนะดอกไม้ทําการบูชาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เถิดเพราะฉะนั้นจงเอาดอกไม้มาเถิดก็อยากจะถวายอาสนะดอกไม้ในขณะนั้นนั่นเองพวกอันเตวาสิกนั้นก็นําดอกไม้ที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นด้วยฤทธิ์และก็ปูลาดให้เป็นอาสนะประมาณโยชดหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าประมาณสาขาวุฒแก่พระอัครสาวกทั้งสอง ประมาณครึ่งโยอดแก่ภิกษุที่เหลือปูราดประมาณหนึ่งอุสภะแก่ภิกษุสงฆ์นวกะก็ทุกองหูเป็นผ้าหันทั้งหมดเลยนะที่ที่มาเนี่ยมีแต่ผู้มีฤทธิ์ผู้มีบุญทั้งหมดเพรานเมื่ออันเตวาสิกเหล่านั้นพากันปูราดอาสนะเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นสารธาดาบทก็ยืนประคองอัญชลีข้างหน้าพระตถาคตกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระองค์จงขึ้นบนอาสนะดอกไม้นี้ เพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เธออันก็แสดงว่าประสงค์จะสงเคราะห์ประสงค์จะอนุเคราะห์นะก็สารทาดาบทนี่เป็นผู้มีศรัทธาจริงๆนะของเราทั้งหลายเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำบุญอย่างนี้จะปลื้มใจไม่ใช่น้อยนะในทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐอย่างนี้นะมี ป, ปูเครื่องปูลาดเสนาสนะเป็นต้นเนี่ย ในพุทธภูมมีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้แล้วเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วอัครสาวกทั้งสองและภิกษุสงฆ์ที่เหลือต่างก็พากันนั่งบนอาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนที่ถึงแล้วแก่ตนก็คือนั่งกันตามลำดับพรรษานั่นแหละพระศาสดาก็ตรัสว่าขอผลทานเป็นอันมากจงสําเร็จแก่ดาบทเหล่านั้นเถิดแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัตินะประสงค์จะให้ผู้ผู้รับเนี่ยได้บุญมาก ที่ดูนะพระองค์เนี่ยมีพระทยัยใจอนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์เสมอเพราะฉะนั้นบริโภควัตถุของผู้ใดก็ประสงค์จะให้ผู้นั้นได้บุญอย่างมากมั้นพาฆราสาวกทั้งสองภิกษุน์สงที่เหลือก็ดีทราบว่าพระาศาสดาเข้าสมาบัติก็พากันเข้านิโรสมาบัติบ้างก็พระอาหารหันตุกองคเนี่ยนะมีฤทธิ์มีเดชเข้านิโรสมาบัติทั้งหมดมันแสดงว่าพระอาหารหันตุกองค์เนี่ยเ ป, เป็นกลุ่มอุปโตภาควิมุตติกันซะส่วนใหญ่ ดาบทนี้ก็ยืนกั้นสเสวติตชาดดอกไม้เจ็ดวันอันหาระหว่างไม่ได้ไม่ทาอะไรเลยนะยืนกั้นดอกไม้เนี่ยเป็นพุทธบูชาอย่างเดียวแมของเรานี่ททำได้ไหมนะยืนถือดอกไม้เป็นพุทธบูชาอย่างเดียวเจ็ดวันนะ่ะมันมีศรัทธามากานี่ของเราก็ลองฝึกดูนะว่าถ้าลองเจริญพุทธานุสติดูจะได้กี่ชั่วโมงก น, นะก็พอจะรู้กลำลังใจของเราแล้วละ่ะนะว่าเรามันขนาดไหน ทีนี้ฝ่ายอันเตวาสิกนอกนี้พากันบริโภคมูลผลาผลในป่าแล้วในเวลาที่เหลือก็พากันยืนประคองอัญเชลีเวลาถึงเวลาอาหารก็ไปหาเก็บผลไม้ฉันกันพอฉันเสร็จก็มายืนยกมือประคองอัญเชลีบูชาพระพุทธเจ้าพอล่วงเจ็ดวันพระาศาสดาก็ออกจากนิโรสมาบัติพอองศ์ก็ตรัสเรียกนิสพะเทระอัครสาวก น, น, นะคือสาวกข้างขวาเนี่ยนะผู้มีปัญญา ม, มากว่า เธอจงทำอนุโมทนาอาสนะดอกไม้ของดาวดบ ท, ทั้งหลายเถิดพระเถระก็ดำรงอยู่ในสาวกบารมียาได้ทำการอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แก่ดาบทนั้นแล้วก็เทศเนี่ย น, นะนนนะตามสติตามกําลังของพระอัครสาวกเหมือนกันไปดูนะว่าจะลึกซึ้งขนาดไหนพระอัครสาวกแสดงธรรมเนี่ย น, นะในที่สุดแห่งพระเทศนาของพระเถระนั้นพระศาสดาก็เรียกพระอนุมาเถระอัครสาวกที่สอง คือสาวกข้างซ้ายเลยนะมาก็ตรัสว่าแม้เธอก็แสดงธรรมแก่ดาบทเหล่านี้บ้างก็แสดงว่าช่วงนั้นอินทรีย์ของหรือสีดาบททั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยยังไม่แก่กล้าทัา น, นก็จะให้สาวกอนุมโมทนากันไปก่อนรออินทรีย์แก่กล้าหรือแสดงธรรมเพื่อบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆแม้พระโนโมเถระก็พิจารณาถึงพระพุทธวจนะคือพระไตยปิฎกแล้วก็แสดงคำแก่ดาบทเหล่านั้น การบรรลุธรรมด้วยการแสดงธรรมแม้ของพระอัครส า, าวกทั้งสองไม่ได้มีแล้วแก่คนแม้สักคนเดียวนะก็เป็นการแสดงธรรมเพื่อบ่มบารมีนะพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้บรรลุเพราะการแสดงธรรมของอัครส า, าวกกรอกแต่ก็เป็นการแสดงธรรมแล้วอ่ะท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะบ่มอินซีมีสัตตินซีเป็นต้นให้มีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปเนะี่ย ลำดับนั้นพระศาสดาก็ดำรงอยู่ในพุทธวิสัยคือวิสัยหรืออารมณ์ความสามารถของพระพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มพระธรรมเทศนาในที่สุดแห่งเทศนาเวนสารธาดาบทเสียพวกฉดินที่เหลือทั้งหมดประมาณเจ0 0 0สี่พันคนก็บรรลุเป็นผ้าหันพระศาสดาก็ตรัสเยียดพระหัตมาว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นเอหิภิกขุอุปสมปทาในบั ด, ดนั้นนั่นเอง พวกชดินนั้นก็เป็นผู้มีเพศดาบทอันตรทานหายไปเป็นผู้ทรงบริหารแดอันประเสริฐได้เป็นราวกับพระเถระเมียอายุห0สิพรรษาเนี่ยนะก็เพราะว่าเป็นผ้ารหันกันหมดฝ่ายสารธาดาบทตั้งความปรารถนาว่าโอ้หนอแม้ตัวเราก็พึงได้เป็นอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนพระนิสพเถระนี้เถิดก็ตั้งความปรารถนาแมจะปรารถนาจะบรรลุแบบนี้บ้างอะ มันขอให้เราบรรลุบ้างเพราะฉะนั้นในเวลาพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจเป็นผู้สรงใจไปในที่อื่นเสียไม่ได้ใครควรเนื้อหาของอริยสัจอะไรเพราะมัวแต่คิดว่าเราจะบรรลุเป็นพระอัครส า, าวกอย่างนั้นตั้งจิตเนี่ยไม่ได้น้อมไปเพื่อจะบรรลุอะไรน้อมจิตไปเพื่อจะเป็นอัครส า, าวกพอน้อมจิตอย่างนี้เข้าก็เลยสานวนเรียกว่าฟุ้งซ่านมาั้น เพราะข้าที่ตนเนี่ยปริวิตตกก็ไม่สามารถจะบรรลุทําให้แจ้งมรรคผลได้ก็ภาษารีบุทเนี่ยนะท่านท่านน้อมไปเพื่อจะเป็นพระอัคารสาวกในตอนนั้นนะพอเท่าท่านไม่น้อมไปเพื่อเป็นอัคารสาวกท่านจะได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าคำนวนว่าแหมใจรักในเป็นอยากเป็นอัคารสาวกอย่างนั้นเนะ่ยเต็มที่หมดเลย จริงนะคนที่มีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจิตไม่น้อมไปเพื่อจะบรรลุจริงๆ จ, จิตไม่น้อมไปฟังทำเพื่อลึกซึ้งเพื่อตรัสรู้แต่น้อมไปเพื่อบุญเพื่อวาสนาที่ที่จะถึงจุดที่ตัวเองต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นสารธาดาบทถวายบังคมพระตถาคตแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนั้นเหมือนกันตั้งความปรารถนาว่าที่ทําบุญมาทั้งหมดตลอด7วันเนี่ยไม่ได้ปรารถนาตําแหน่งอื่น แต่ขอปรารถนาเช่นกับพระนิสพระเถระที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแม้ภาษาสดาก็เห็นว่าสารทดาบทนั้นจะสำเร็จความปรารถนาโดยหาอันตรายไม่ได้ไม่มีอะไรมาขัดขวางก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่าตั้งแต่นี้ไปล่วงอสงไขยกำไรแสนกับเธอจักชื่อว่าสารีบุตรเป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมดังนี้แล้วก็ตรัตทมรรคา มีภิกษุสองแวดล้อมแล้วไปในทางอากาศก็ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยบรรลุหมดเลยทั้นเหลือดาบทอยู่คนเดียวนะที่เหลือเขาเป็นผ้าอรหันไปกันหมดแล้วฝ่ายสารท่าดาบทก็ไปหาสิริวัถผู้เป็นสหายแล้วก็กล่าวว่าเพื่อนเอ้ยเรานี่ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระนามวโคโดมผู้จะอุบัตในอนาคตการณนะบาทมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามวอนมัสี แม้ท่านก็จงปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองข้างซ้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบ้างเถอะไปชวนเพื่อนให้ตั้งความปรารถนาด้วยนะตัวเองปรารถนาคนเดียวไม่พอนะก็เลยชวนเพื่อนด้วยเสดวัฏฐาได้ฟังคำแนะนำนั้นแล้วก็ทำให้ปราบพื้นที่ประมาณ8ดกรีดใกล้ประตูที่อยู่ของตนให้สม่ำเสมอเกลี่ยดอกไม้ทั้งหลายมีดอกบวบขมเป็นที่ห้าให้สร้าง มดบมงด้วยดอกอุบลเขียวแล้วก็ปูราดอาสนะสาหรับพระพุทธเจ้าแล้วก็ปูราดอาสนะสําหรับพวกภิกษุตรเตรียมสการะสัมมาณะเป็นอันมากแล้วให้สาระดาบทนิมนต์พระศาสดาก็เลยยังมหาทานให้เป็นไปแล้วตลอดเจวัน <c oughs> วนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันตลอด7วันพร้อมภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก นุ่งห่มผ้าอันสมควรข้ามากมายแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระอัครสาวกองค์ที่สองสาวกองค์ที่หนึ่งก็ภาษารีบุตรองค์ที่สองก็พระโมคคัลลานะท่านมีการตั้งความปรารถนาก่อนนะท่านจึงบรรลุคนสมัยนี้บางพวกเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยอยากตั้งความปรารถนาแต่ก็ไม่ค่อยบรรลุสักทีเหน็นไพวกที่เขาตั้งปรารถนาเขาบรรลุกันหมดแล้ว่แต่พวกไม่ตั้งปรารถนาเนี่ยบอกแม้ช้าไปที่ไหนได้อยู่คางเดือนคางดาวอยู่นี่แหละ อ น, นะอยู่ค้างแผ่นดินเฝ้าแผ่นดินอยู่นี่แหละเพราะไม่ตั้งความปรารถนานั่นเองอันนะังั้นการตั้งความปรารถนาอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะเพราะว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาโดยชอบเนี่ยที่จะไม่พ้นทุกข์ไม่มีหรอกขอให้ตั้งเจตนารมไว้เถอะเนี่ยนะอย่าประมาทในจิตตุบาทหนึ่งนะเรียกว่าขนาดจิตตุบาทยังมีผลมากจะกล่าวไปลยใหญ่ถึงการจัดแจงด้วยกายและวาจาเล่าผขอให้มีเจตนาตั้งใจอะไรเถอะเนี่ยนะ มันผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาะก็เท่ากับว่ายินดีที่ตัวเองเนี่ยมีค่าที่จะเฝ้าวัตตะเนี่ยนะการตั้งความปรารถนาอันนี้ไม่ได้ทําด้วยกิเลสแต่ทําด้วยศรัทธาเนี่ยนะทำด้วยศรัทธาทําด้วยฉันทะเนี่ยนะมีฉันทะคือความพอใจนําหน้าศรัทธานี่มีกําลังมากตั้งความปรารถนาก็เบนเข็มของเรานะถ้าตั้งความปรารถนามาตั้งแต่สมัยนั้น น, นมาก่อนบรรลุไปแล้วเนี่ยนะแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งความปรารถนาแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าตั้งความปรารถนาตั้งกับวันนี้ไปสักวันหนึ่งก็เป็นของเราบ้างเพราะพระองค์ก็พยากรณ์ว่าอ้าวจะได้บรรลุนะอีกหนึ่งอสงไข์ไขกำไรแสนกับข้างหน้าถึงพระศาสดาก็ทรงเล็งเห็นว่าเขาเนี่ยจะสำเร็จความปรารถนาโดยหาอันตรายมิได้ก็พยากรณ์โดยในที่กล่าวนะว่าจะเป็นอัครสาวกข้างขวาข้างซ้ายชื่อโมคลานะเป็นต้นเนี่ยนะ เมื่อพระองค์ทำอนุโมทนาแล้วก็เสด็จหลีกไปสิริวัฒน์เนี่ยร่าเริงดีใจมากมีความสุขเหลือเกินเนี่ยที่จะได้บรรลุเป็นอัคารสาวกที่สองบำเพ็ญกุศลธรรมจนตลอดชีวิตวาระจิตที่สองก็บังเกิดในกา ม, มาวจรเทวโลกสารทธาดาบทเนี่ยก็เจริญพรห ม, มิหารสีให้บังเกิดในพรห ม, มโลกแต่จริงเรื่องตรงนี้มีลัดนิดนึงว่าท่านตาจากสิริวัฒนไปเกิดเป็นนาคนะแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปทําบุญอีกครั้งหนึ่ง สมัยที่ไปเกิดเป็นนาคอนะจำเดิมแต่นั้นท่านก็มิได้กล่าวถึงกรรมในระหว่างแม้แห่งบุคคลทั้งสองเรื่องราวประวัติก็ไม่ได้ปรากฏอะนนะแต่ก็จะมีอยู่บ้างในชาดกต่างๆนะในชาดกต่างๆที่กล่าวพาดพิงถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอยู่บ้างก็ก่อนหน้าการอุบัติของพระพุทธเจ้าของพวกเราสรธาดาบทถือปฏิสนธิในท้องของนางพรหมณีชื่อว่ารูปปสารี ในอุปติสักามไม่ไกลกรุงราชครึกในวันนั้นนั่นเองแม้สหายของเขาก็ถือปฏิสนธิในท้องของนางพรามณีชื่อว่าโมกขลีในโกลิ ต, ตคัคขามไม่ไกลกรุงราชครึกนักเลยก็คือผู้มีบุญนี่ก็ไปเกิดในบริเวณแถวๆนั้นน่ะในปัตมะชิมชนบทได้ยินว่าสกุลทั้งสองนี่เป็นสหายสืบเนื่องกันมาได้เจ็ดชั่วสกุลทีเดียว เป็นตระกูลที่เป็นเพื่อนกันมาตลอดนั้นคนทั้งหลายก็ได้ให้คับพระบริหารคันเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งนั่นแลแกตระกูลทั้งสองนั้นโดยล่วงไปส0บเดือนแม่นม66คนได้พากันบำรุงคนทั้งสองที่เกิดแล้วนังว่ามีบุญมากะนะมีแม่เลี้ยงเนี่ยสิคนะในวันตั้งชื่อพวกญาติก็ได้ทำการตั้งชื่อบุตรของนางพรหมณีรูปภาษาลีว่าอุปติสระ แม่ของภาษารียบุตรนี้ชื่อว่านางรูปปสารีแปลว่าผู้มีรูปเป็นสาระก็คือเป็นคนสวยมากแม่ของภาษารีบุตรนี่สวยมากแล้วก็แปลว่าสาระตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่รูปมีรูปเป็นสาระขณะเดียวกันก็มีทรัพย์เป็นสาระเป็นคนมั่งมีมากเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นอุปติสสะเพราะเป็นบุตรของสกุลอันเปรศสุดในอุปติสขามเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนั้นการตั้งชื่อบุตรนอกนี้คือโกลิตะ เพราะเป็นบุตรแห่งสกุลอันประเสริฐในโกลิตคามก็คือคนละหมู่บ้านกันแต่เป็นหมู่บ้านมหาเศรษฐีทั้งสองเนี่ยนะเด็กทั้งสองคนนั้นก็มีบริวารมากมายเจริญไว้ก็สำเร็จการศึกษาทุกอย่างเนี่ยนะก็ถือธรรมดานะก็เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่มั่งมีมีโภคะพ่อแม่ที่ฉลาดหน่อยก็จะส่งลูกเนี่ยศึกษาเล่าเรียนจนจบกระบวนการวิชาความรู้ทั้งหมดทีนี้ครั้นวันหนึ่ง คนทั้งสองคนก็ดูการเล่นมหรสศพบนยอดภูเขาณกรุงราชเครึกเห็นมหาชนประชมกันแล้วก็มีโยนิโสมนัสิการผุดขึ้นเพราะข้าที่ตนเนี่ยมียานถึงความแก่กล้าดูว่าโยนิโสมนัสิการ เ, เขาคิดยังไงกันบอกว่าคนเหล่านี้แม้ทั้งหมดไม่ถึงร้อยปีก็จะตั้งอยู่ในปากแห่งความตายทั้งคนเนี่ยแสดงทั้งหมดเนี่ยจะตายกันหมดนะ คนดูทั้งหมดที่มาดูกันนี่ก็จะตายกันทั้งหมดทั้งคนดูคนแสดงเนี่ยไม่เกินร้อยปีนี่แม้แต่ชื่อแม้แต่แท้ก็ไม่เหลือแลว้วตายกันหมดตอนนี้เราเหลือจําชื่อใครได้บ้างไหมถ้าไม่มีชื่อภาษาดิบุตรพระโมกขลานะคนแถวเมืองราชจะครึกจําใครไม่ได้เลยอะเพราะมันหมดมันหายสาบศูนย์ไปหมดเพราะว่าขันห้าเป็นที่บัญญัติให้มีชื่อเสียงไหยเมื่อขันห้าศูนย์สลายไปชื่อที่บัญญัติก็หายตามไปด้วยเพราะฉะนั้น ทุกคนเนี่ยไม่ถึงร้อยปีก็อยู่ในปากแห่งความตายอย่างนี้ก็เกิดความสังเวชเนี่ยนะสังเวชนี่คืออะไรคือปัญญาที่เกิดพร้อมกับโอตตปะโอตตปะนี่กวนภัยอย่างแรงกล้าปัญญานี่ก็เกิดขึ้นสังเวชเนี่ยนะอย่างนี้ก็ตกลงว่าพวกเราเนี่ยควรจะสแสวงหาโมกธรรมคือควรแสวงหาธรร ม, มะเป็นที่พ้นทุกข์เถิดคิดดูนะอัธยาศัยที่เคยคิดเมื่อนหนึ่งอาสงไขยที่แล้วก็ยังมามีแนวความคิดตามเดิมอี ก, ก น, นะ ออทุกคนเนี่ยไม่ได้พ้นความตายกันทั้งหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราสแสวงหาทมเป็นที่พ้นทุกเถอดและการสแสวงหาโมฆะธรรมนั้นควรจะได้การบันประชาสักอย่างหนึ่ง น, นะก็ต้องบวชนะจึงจะได้การบันประชาเพรา ะ, ะนั้นก็เลยชวนมานบห้าร้อยคนเนี่ยบวชในสำนักของอาจารย์สันชัยปริภาชกจำเดิมแต่การที่คนเหล่านั้นบวชสันชัยก็เป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบและก็เลิศ ด, ด้วยยศ เรียว่าคนดังมาบวชอยู่ด้วยนะรวยอย่างเลี้ยวว่างั้นคนเนี่ยนับหน้าถือตาบูชาลาบสการะโอ้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะใครใก็นับถือเพราะเรียกว่าคนดังมาบวชอยู่ด้วยเนี่ยนโดยล่วงไปสองสามวันเท่านั้นคนทั้งสองก็พากันยึดเอาลัทธิของสันชัยทั้งหมดโอ้เรียนสองสามวันจบหมดเลยทุกวิชาที่มีอยู่ในสำนักอาจารย์เนี่ยนะนะมองไม่เห็นสาระในลัทธินั้นนอะ เอาคิดดูทั่วถึงปัญญาทั่วๆไปเนี่ยพระนนทเนี่ยฟังหนึ่งคำเนี่ยท่านขยายได้หกหมื่นคำยังไงภาษาลิบุตรเนี่ ย, าายปัญญามากกว่าพระนนทเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเนี่ยนะคิดดูว่าจะเรียนอะไรชา้ชาสักเท่าไหร่ใช่ไหยฟังนี่ก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรมรนพอ ก, ก็เลยมองไม่เห็นสาระในลทัทธิทิศทีข้อปฏิบัติเหล่านั้นแม้แต่นิดเดียวก็เลยพากันออกจากลทัทธินั้นไปเที่ยวถามปัญหาสมณะพราหมณ์ที่สมมุติกันว่าเป็นบัณฑิตเหล่านั้นในที่นนั้นั้น สมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกทั้งสองนั้นถามปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้คนทั้งสองเนี่ยต้องคอยแก้ปัญหาแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นไปถามเขาก็มีใครตอบได้นะแต่โดยมากเนี่ยท่านเป็นคนไปเที่ยวตอบปัญหาทั้งหมดเลยฉนั้นคนทั้งสองก็สแสวงหามโมฆะธรรมตอนหลังก็ทกํากติกากันไว้อย่างนี้ว่าพวกเราผู้ใดบรรลุธรรมะก่อนผู้นั้นก็จงบอกแก่คนนอกนี้ให้ทราบบ้างถ้าใครบรรลุ ก, ก่อนนะมาบอกกันบ้างนะฝังนั้น